ฟังธรรมเทศนาแล้วกล่าวถึงเรื่องการศึกษาเราเรียนพ้องสะนนเนมไปก่อนนี่เป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้วธรรมดาปกติก็ต้องเดือนหกข้างแหลมมีสาขาแล้วก็ต้องมีการเรียนกันเรียนนักธรรมกันครั้งนี้ก็ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้ มันไม่พร้อมกันพวกที่บวชใหม่ก็มีที่ยังไม่ทันบวชก็ยังมียังไม่ทันมาก็มีจึงไม่ได้เปิดโรงเรียนกันตา้งบวชเข้ามาแล้วจาเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่กับบวชเข้ามาเฉยๆให้รู้ทามีใน ขอวัดปฏิบัติรู้ธรรมรู้วินัยคือว่ารู้ธรรมนั้นหมายความว่าคือรู้ข้อบัญญัติที่พระองค์เทศนาไว้ง้อข้อธรรมต่างๆแต่ไม่ได้ปรับอาบัติท่านบอกว่าให้กระทาอย่างนั้นอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้ น, ร น, นเรียกว่าทำ คือเป็นข้อบัญญัติไม่มีข้อกฎเกณฑ์ส่วนทวีไนนนั้นต้องมีข้อกฎเก็นจ์จำกัดในแก่ทิศข้าบทนั้นอย่า ก, ก้นหมายพะกะว่าใดถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติยังไงมันต้องรู้เสียก่อนสิรู้ปริยัติเสียก่อน ปฏิญาตปฏิบัติปฏิเวทจงเป็นคู่กันไปปฏิญาตคือ ก, การศึกษาและเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องฟังต้องเรียน ต, ต้องฟังต้องเรียนคั้สองพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธภูมิไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกาคือพูดึคือพูดฟัง าหากว่าไม่ศึกษาบดเข้ามาแล้วไม่ศึกษาเราเรียนก็้าไม่รู้เรื่องจะไปพิสปฏิบัติยังไงผิดผิดทุกถูกปฏิบัติผิดผิดทุกถูกไปไม่รู้เรื่องการปฏิบัติผิดผิดทุกถูกนั้นเป็นเหตุให้มูเพื่อหลังเสียต้องมูยากอยู่ขหมยยาก จะเห็นถ้ะบางท่านบางองค์ที่ไม่ศึกษาเราเรียนไม่รู้จักทำให้ไดเราพึ่ตเดตตามครูบาอาจารย์ที่ทำสอนได้ความรู้เท่าไรก็เอาเขานั่นแหละก็ไม่มีความรู้กว้างขวางเคย อ, อยู่โดดเดียวคนเดียวเข้าหมู่ เ, เพื่อน ไ, ได้ ถ้าเข้าห้าโมงครับเพื่อนมูเพื่อนไทยถาม <c oughs> ก็จะเก้อเขินชั่วอยู่คนเดียวจะดีกว่าและการเพื่อปฏิบัติก่อเลี้ยวแดดไม่ทราบว่าได้ต่อไหไรน่า น, น, นที่ม่ที่ศึกษาเราเรียนการศึกษาเราเรียนต้องมีความอาจทานกล้าหาญในตัว เอาสังคมใดหมูใด้คณะใด้สามารถอ่านอ่านได้ทั้งนั้นสามารถพูดได้สามารถกระทำได้อันนี้อำนาจประโยชน์ของการปฏิญตินั่นไงวะคันบวชมาแล้วจะพันศาหนึ่งสามเดือนก็เอาเถอะ ต้องเรียนเรียนเบนนื้องต้นนักธรรมีธรมโทธรรมเอกเรียนเป็นรนับโดยลำดับเลหรือแม่แต่ฝระ่ขาวไม่ได้บวชก็มีจิตศึกษาแล้วเรียนเหมือนกั น, เ ร, น, อ เ, อ น, เ, นเรียกว่าเรียนจึกนว่าไอเรียกว่า เรียนานาวกานาวกาที่เรียนที่บวชไปเรียกว่าเรียนานาวิกาพระขาวเรียกว่าศึกษาศึกษาศึกษาไอเรียกว่าศึกษาเรียนศึกษาเษาทียบเท่ากับทำตีแลยนะครับทําโต๊ะทนเอง เ, องเมืออกันเนะทียบเท่ากันนะมัตีะทําโทนะทําเอก เมื่อเรียนนักเรียนจะต้องสอบเหมือนกันมีการสอบเหมือนกันกับพระกับ เ, เรนรเห็นไหการบวชเข้ามาแล้วต้องทำกิจธุระของพระของเนนผู้บวชเข้ามาคือการศึกษาเราเรียนนี่แหละเพื่อเป็นที่พึ่งของคารวะ ชาวบ้านชาวบ้านจะมีการศึกษาเราเรียนอะไรหลอเขาเมาการหาอยู่หากินผ้าเรานี้ยนะมีหน้าที่จะต้องศึกษาเราเรียนและปฏิบัติให้เป็นไปตามเราศึกษาเราเรียนนะั้นแล้วจะได้แนะนาพ่ฒนสอนญาติโยมอุบาจก่าเข้ามาหา มาอบรมผู้ผลต้องมีควอมรูลต้องมีวิชาอบลมเขาชาวบ้านเขาสนับสนุนด้วยอจชชาติทั้งสี่นีจีวรนเป็นต้นเราไม่ได้มีการหาอยู่หากินอะไรมากมายนะนอกจากมีทบบาท สนุกเรียนสนุกศึกษาเราเรียนต้องเรียนให้รู้เขาใจพุทธศาสนานี่จะให้มั่นคงถาวรต่อไปเนเพราะมีทางอุบาสกอุบาสิกาสนับสนุนภายนอกถ้าสึกษามเ น, นต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนอยู่ภายในสนับสนุนซึ่งกนันและกัน ศาสนายังท้าวรต่อมาใดคิดดูปูภาบุรุษของเราแต่ก่อนท่านเรียนมาอย่างนี้แหละแล้วท่านบำุงมาอย่างนี้แหละยังได้สืบเนื่องมาถึงเรื่องเราทุกวันถึงเราทุกวันเดียวนี้เราจะไม่ปฏิเราจะไม่ศึกษาเราเรียนจะไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ได้ ทั้งการเรียนยังเป็นการจำเป็นที่สุดที่บวดเข้ามาพุทธศาสนาแล้วจำเป็นจะต้องเรียนปริญญาต้องเรียนแล้วก็ไปหาปฏิบัติถ้าไม่เรียนไม่เข้าใจพูดไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ถูกก็ไม่เรียน แปงหาปฏิเวทปฏิเวทคือความรู้กแจ้งในธรรมนั้นๆถึงรู้แจ้งแล้วก็ตามเถอดถ้าหามีหลักปริยัติเขาพูดไปถูกเหมือนกันปริยาติเป็นหลักสำคัญหนึ่งตนเราจดจำปริญัติแต่แล้ว เอาสัญญาความจำปริยตณนั่นะไปฟุดผฝนอบรมตามปริยตินั่นแหละยิงจะถูกุณทางถ้าหากว่าไม่ได้ปริยัติอบรมก็ผิดผิดทุกถงถึงปฏิเวทแลว้วก็ตามเถอะถ้าไม่มีปริัติเป็นเครื่องวัด ปลอดสงสัยไาแล้วสักทีนี่ลังเลต้องใสนั่นเนี่ยเราไม่อีกคุดเราไม่เราเป็นสาบกเราต้องฟังคำสอนพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าจึงจะหายสงสยัยปฏิบัติเช่นว่า เราไหวภาพกับมนุษเนี่ยแหละอีติปโสภควาหังสมาเซมโตอันนี้เปน็นต้นถ้าหากเราไม่รู้จักความหมายเราไม่เรียนเราไม่ได้ศึกษ า, าว่าไปเมื่อกับ น, นกกระหนูเมื่อกันแรี้ยงกระการว่าไปตามกันเขาว่าก็าว่าไปตามเขาไม่รู้เรื่อง ห้าหาว่ารู้คําหมายจิตใจมันว่าพระขวา น, นว่าพระภูมิยภาพพระภูมิยาภาคคืออะไรเป็นผู้เผยแผ่ผู้มีส่วนส่วนคือส่วนที่เป็นพระพุทธเจา้าอยากพระพุทธเจ้าเป็นไม่แล้วแต่คนเก่าเรียว่ามีส่วน เหังสมาสธิโมโทเป็นผู้ิกายจักกิเลสคือกายจากอะไรกิเลสกิเลสมีความโลภความหลบเกลกีดเป็นหลงความหลงเป็นตนเราทราบซึ้งเข้าถึงจิตถึงใจเราแลลึกถึงอย่างนี้ไปตามบทแล้วมันทราบถึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจก็ปลอดภูมิคือมันปราศจากกิเลสก็ปลอดโูมิ อันนั้นเนี่ยปฏิญาติเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าหากปลอดโปรงเช่นนั้นแล้วค่ะนี่มาเทียบดูอ่ะพุทโธเ้ี่ยเป็นคนเป็นตัวแย่กูรู้รู้อะไรเรารู้ทรมาคคำสอนพริจารู้เองเห็นเองขึ้นมาในใจเรียกว่าพุทโธพุทโธคือพูดตื่นูุเบิกบัน ความเบิกบานยิ้มยั้มแจ่มใสของเราในการที่รู้จากธรรมะก็คงน่าเรียกว่าพุทโธพทโ ธ, ทธรู้นมาอย่างนี้แหละปริยัติหากว่าไม่รู้อย่างนั้นเน่ะไม่รู้ตามคำอธิบายนี่นก็ตามถึงหากว่าไปเกิดความรู้ขึ้นจะพอตนเอง รู้ขึ้นตนเองนเรียกว่าคุดโธแล้วนะปอดโภมขึ้นมาโดยตนเองเอ๊ะนี่จะเรียกอะไรเ น, ะนาะการทำคำสองพุทเจ้าเรียกอะไรเนาะเราจะอาจจะสงสัยขึ้นมาก็ได้คําเมื่อเราไปรู้ทาว่าคุดโถไปเอาผู้เบิเกบานแปเอาผู้ตื่นแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อถูกทำคาสองพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นตน ที่เรียกว่าเรียนมันมีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยปริยัติปริยัติคืออะไรคือบัญญัติมันคือปริยัติในหมายคือว่าทำคัมสองพระเจ้าเนะี่ยเป็นบทบาทบาลีที่อธิบายเป็นบทบทบาทกัท่นั้นเที่ยวกับปริยัติ ปฏิบัติคือเราทําตามท่านว่างนั้นนะทาตามนั้นนะเนี่ยว่าปฏิบัติทําถูกกล้องแล้วต้องบรรลุคือว่าปลอดโง่รู้ขึ้นโดยตนเองนะเรียกว่าพุทโธเรียกว่าปฏิเวทศาสนาทั้งสามอย่างนี้ต้องมีเป็นคู่กันไป าานนขาดไม่ไดท่านใดอันหนึ่งขาดไมได้มันเป็นผลต่อเนื่องางไปปริยัติเป็นพื้นฐานเหมือนกับตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติธรรมะทิ้งพื้นฐานที่ตัวของเราไม่ได้ตัวของเราเรียนบอกเกิดของธรรมะทั้งหวงด ถ้าหากไม่มีตัวงเราแล้วไม่มีอันพิจารณาธรรมถ้ามีอยู่ในตัวงเราคพ บ, คบทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้แต่เราเราไม่พิจารณานะสีมันจึงไม่รู้จักธรรมแต่พิจารณาที่อื่นโน่นอกจากตัวของเร า, าเานื้ยหาธรรมขราวนี้ หาหนอกจากตัวมันก็ไม่เห็นน่นสะิครับตัวของเราบีเส็ตก่อนไม่ค่อมีสิ่งทั้งหลายทั้งหลายท่านเนี่ยตนี้มนุษย์ของเราถ้าหามีตัวเทรแล้วจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรข้อเดือดจะเกิดในสิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบ้านช่องเรือนชานสถานที่ทุกสิ่งธุประกรันได้ล้าตาโตมาเกิดจากตัวของเราทั้งนั้น ตัวของเรามีได้ยังเคยมีอของขนาดให้จับหลักตรงนี้แหละให้ได้เสียก่อนปลักลักตรงนี้ให้มันมั น, มนตัวของเรานี่แหละค้นคว้าหาจริงใดคว้ามดอย่าไปทิ้งเราไปงมได้ของแายนอกไปหาได้ของแฝงนอกค้นคว้าได้ของแายนอก ลืมตัวของเราเลยไม่เจอของดีในตัวเราสิ่งทั้งปวงมดต้องมีหลักทุกสิ่งทุกประการทำทิ้งในไม่มีหลักไม่ได้แม้แต่ธรรมมาค้าขายก็ต้องยึดหลัก รักมั่นะในในมั่นในจึงงในจกกึงเท่าก่อนจึงค่อยจะมาห้ากินเจริญรุ่งเรืองธรรมะไอเราปฏิบัติธรรมะกัเช่นเดียวกันต้องตัวของเราเป็นหลักเขาปขาาลูกเขาฝังรากมาต้นไม้ก็ต้องปลูกลงให้แน่นให้ก่อน ให้มีหลักฐานมั่นคงลงไปใช่ก่อนปลูกต้นไม้ตอนแรกย่างลงไปดินใช่ก่อนมันแก่คือมันยังค่อยเกิดผลลากยังไม่ถึงดินอยากได้อยากกินผลแล้วมันก็แย่ที่แบบนั้นไปหาที่ไหนมันจะกินสมาธิมันแนวแน่สมาธิยังเป็นไม่เป็นธรรมนาไม่เป็นสมาธิ อยากจะให้เกิดผลนั่นจะเกิดได้ทีไหนลักคือตัวของเราถ้าหากเนียไม่เห็นตัวของเราหมายความว่าคือใจอันนี้ยังไม่ใช่ตัวแท้ เป็นเปลือกเปลือกมันดอกนะตัวที่ตนตัวตนคนเรามันนั่งอยู่นี่เนี่ยเป็นตัวเปลือกเปลือกมนดอกแต่ก็ต้องอาศัยนี่แหละถ้ามาอาศัยนี่ก็ไม่เห็นตัวแกนแท้ น, นตัวจิตใจคือคือแกนแท้คือใจตายไม่น่ามันมีเองเหรอกของันนี้ถาาใจมันมีมันก็ตายคนตายใจมีเรียกว่าคนตาย ใจไม่ได้จาเป็นยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นั่นแหละตัวใจเท่านั้นเป็นของของเราอาศัายร่างกายอันนี้เป็นเครื่องอยู่จึงจำเป็นต้องพิจารณาร่างกายนี้แหละให้มันอยู่กับ่งกายนี้เสก่อน เมื่อพิจารณาเฉพาะร่างกายนี้พิจารณาผมขนในปนัญหาในกระดูกให้เป็นอนิจจังทุกขงังตาแล้วเห็นเป็นทุกทุกสิ่งทุกส่วนร้นวนเนี่ยแต่ทุกขังนั้นอย่างเราไว้พาะต่างๆภูมิเวลาปวัติสตร์พองเทศนาด้วยส่วนมากชาติปีตุขายเจลาปิศาวนานาเป็นสังฆ ก, กรเปรเดียวทุกขโรนาะทุกขายาสาทุกขา ถ้าชราเป็นญาที่มรณาธิการเป็นเสวะทุกขโทบรรณาล้วนน่จะเป็นทุกข์ทางนั้นโภมเทศนาโดยสวนมากเลเดียวถ้าไม่เทศอย่างนี้แล้วเทศคันหาก็เทศอันนี้แหละลูกเวทนาสยามแสงขาส ย, ยามเอาอันนี้แหละ กระทุกกระทุกในขันหาไม่ใช่ทุกอื่นอันเดียวขันเดียวนี่แหละแต่พูดคนละแง่กันชาติราเมื่ที่พญาที่มณฑลกรวิเทวทุกข์นนรกระโดมมณฑลปายาดล้วน่าจะทุกแต่กิดพูดถึงเนื่งขันหาอะไรก็ทุกรวมขันหาเนี่ยไม่ต้องอื่นแก่เราพิจารณาเฉพาะ อ, อันนี้แหละให้เห็นเฉพาะ อ, อันนี้แหละ เมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ในตัวของเราแล้วมันหาจะเห็นมันเห็นจิตต่อขันใครเป็นคนเห็นโทษใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นขันหาเห็นหน้าขันพระความยึดถือว่าตัวของเรา มันยังค่อยเป็นทุกข์เพราะยึดถือกันห้าตัวของเราแล้วก็เป็นทุกข์จับตัวที่มันยึดกันเลยคราวนี้เห็นจิตแล้วข่าวนี้ยึดกายนี่ให้เป็นหลักซะก่อนแล้วยังค่อยมันยังค่อยเห็นใจจึงว่าให้พิาจารณาเฉพาะกายเี่แนั้นพินาจารณาเฉพาะเรื่องทุกข์ ทำไมย่อดองให้พิจารณาที่ศาสนาทำความสุขบางศาสนาที่ได้พ้นจากทุกข์ตัวทํทมามายิ่งมาให้พิจารณาทุกข์บางคนได้เข้าใจอย่างนั้นความเข้าใจผิดของเราต่างหากความเข้าใจผิดของเราเข้าใจว่าสุขต่างหากแต่แท้ที่จริงความจริงนะมันเป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งก้อนเลย องเทศนาการเป็นจริงไม่ใช่เอาของไม่จริงมาเทศเทศแต่มันทุกขังก้อนนี่แหละไม่เฉราะขันหักให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าเราภานาที่จะทํำกลมปนทุกภาชนะให้เป็นสุขทาไมมาสอนให้เป็นทุกให้พิจารณาทุกเรื่องทุก ไ่เข้าใจานั่นไม่ไม่ถูกความเป็นจริงนั้นต้องพิจารณาทุงเรื่องทุกหารพิจารณาเรื่องทุกเห็นทุกแล้วอย่าอาตมาพระพูดมาเบื้องต้นใครเป็นคนเห็นทุกใครเป็นคนรู้ทุกตัวจิตต่งางตัวจิตไปเห็นทุก มันเบื่อหน่าในทุกมันทราปล่อยวางในทุกมันเลยไปทุกข์เัาทุกข์มันเลอยู่ต่างใจยังเป็นหนึ่งใอยู่ต่างห Couple. ใจเป็นหนึ่งแล้วไม่มีทุกข์ใจยังเป็นหนึ่งเรียกว่าใจอันเป็นหนึ่งแลเรียกว่าใจอันไม่เป็นหนึ่งแล้ยังเคาเรียกว่าจิต จิตมันไม่เป็นหนึ่งมนันสอง ม, สม่สามเนี่ยมันก็ช่อยเป็นทุกข์ก็สิมันไปยึดเนื่องกับนี้อะไรต่างสารพัดทุกอย่างมันยังคอยเป็นทุกข์ถ้าใจเป็นหนึ่งมันไม่เป็นทุกข์ถ้ามีอะไรเปมันจะมีอะไรก็เกี่ยวอีกมันก็ไม่ได้ใจนั่นสินั่นแนะ่ะที่จะพ้นจากทุกข์เลยไปถึงใจแล้วพ้นจากทุกข์เลยแล้วครับ ความสงบสุขความสงบคือมันสงบจากอารมณ์มันยังเข้าถึงใจความทุกข์เสมอได้ความสงบไม่มีท่านว่ายงมันไม่สงบมันยังคอยเป็นทุกข์คือมันเป็นจิตมันไม่สงบเิดจิตมันเปลี่ยนกันไปมันไม่ะงบมันไม่สงบเป็นกลายเป็นจิตก็เลยเป็นทุกข์ มันแท่งงงร่างกายเป็นจิตเป็นใจก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นทุกข์เท่านั้นแหะมันเปลี่ยนกันเท่านั้นนหละต้องพิจารณาอย่างอธิบายมานี่แหละที่ให้พิจารณาเช่นเรื่องหลักให้เป็นหลักฐานก่อนถ้ามันแน่วแน่เป็นเต็มที่ก่อนอย่าไปหาค้นถามมันเลยมันคนเองมันเอง อันเดียวนี่น่ะพูดแต่ไหนแต่ไหนเมื่อกันเดียวนี้แหละท่าพูดได้ยาวเท่กับเทสนานเดียวนี่แหละอาตมาเท่กับเทศมาแต่บวชมาจะกับเท ศ, เทศอันเดียวนี้แหละไม่ใช่เทศอื่นไกลคืออันเดียวนั่นแหละคือเทศถึงใจนั่นเองมันมีทุกคนในใจแต่แม่หาตัวใจของตนให้เข้าถึงใจเน่านั้น งมนั้งแต่ ง, งมงายแต่เรื่องจิตมันก็เลยพาแล้วเป็นทุกข์เดือร้อนเดืออนวุ่นวายอยู่นาดนี้ตัวใจตัวนั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม่มีอดไเป็นขวามมันปลอดโผงทะลุปลอดโผงมดทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายแค่นี้แหละอค่นี้ ค้นหายใจลองดูอธิบายฟังแล้วคดหาลองดูตรงไหนเป็นใจมันจิยตยังไปต้องค้นหามันก็เห็นนั่นแหละมันยุ่งวุ่นวายไปทุกสิ่งสารพัดแา่มันทรงใสนั้นนั้ น, น, นตัวจิตมันเห็นนั่นแหละตัวใจแท้นะั่นคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกัน พูดเนียพูดทุกคนนะ่ะใครก็มีใจทุกคนเนะี่ยพูดถึงเรื่องใจก็นอยู่ตรงไหนอ่พูกเขามาชี้ว่าท่ามกลางเนี่ยหน้า อ, อกเนี่ยนะนี่แหละหัวใจหมายความถึงเงินหัวใจคือหมายความถึงอัตไชยวัตถุมันเรียกว่าหัวใจเนั้นแยกออกจากใจแต่แท้จริงหัวใจ ตอนนั้นใหม่เขาราเรียกว่าสมองเป็นหัวใจเป็นใจคือผู้คิ ด, ดนั่นก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้าหาว่าสมองหาว่าตายลองดูเดี๋ยวนี้สมองไม่ได้ไปกับคนตายด้ดวยหรือคนตายก็เกิดในที่ต่างๆเลยแต่สมองไม่ได้ไปด้วยนั่นยังว่าไม่ใช่ ไม่เหตุใจใจไม่ได้อยู่ที่สมองหรอกแต่เป็นสำนักงานสาหรับคิดนึกปรุงแต่งภาษาท่ภาษาเรียกว่าความคิดภาษาเป็นเครื่องส่งให้คิดให้นึกปรุงแต่งตัวพวกคิดผู้นึกมันต่างหากู้กปรุงพูกแต่งมันต่างหาก ใจแท่นั่นไอจิตแท่นั่นอยู่ไหนก็ได้อยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ปลายมือปลายเท้าได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ต้นไม้ภูเขาโน่นก็ได้หรือนอกกายของเราได้หมดเท่าใจไปไว้ตรงนั้นเนาะถ้าคิดถึงโน้นเน่ยมันนี่ยอยู่โน่นอ่ะเห็นเห็นลูกเห็นหลานเห็นตัดสารสิ่งต่างมันเจ็บมันปวดตรตายกูตายหมอนเนาะ อันที่จริงไม่ใช่กูตายอันตัวมันเจ็บต่ะครับตัวนอกมันเจ็บต่างหาเอาใจไปไว้นล้วตายครูตายหัวหาว่าเราตายความคิดความนึกสงตายเป็นในสิ่งต่างๆฟุงแต่ยิ่งว่าเอาไปไว้ไหนมันก็อยู่หรอครูหัด ท, รรทําสมาธิภาวนาจริงๆแล้ว ลองเอาไปไหว้ที่มือลองดูมันอยู่ปลายมือคุณอาไว้ปลายถ้ามืออยู่ปลายเท่าไหว้ปลายผมมืออยู่ปลายผมไว้ท่ากลางหน้าอกมือก็อยู่ท่ากลางหน้าอกเลยใจหมายความหนึ่งของกลางไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลงปัจจุบันเลยลองดูลองคิดดู อดีตเขาออกไปเจ๊อนาคตก็ออกเจ๊อดีตที่ลวงแรงไว้ตอนคำนึงถึงมันนะอนาคตที่ยังไว้ถึงก็ไมต้องคำนึงถึงมันแล้วแค่มีอะไรแล้วฝ่าหนิมันเป็นกลางอยู่ข้างกลางข้างว่างเปล่าน่ะดินั่นแหะตัวใจคือมันเฉยเฉยอยู่แต่ความเฉยเฉยรู้จักความเฉยเฉย ไม่ใช่ไหมเป็นกลางแล้วไม่มีความเฉยอันนั้นเรียกว่าของกลางเฉยของกลางไม่ใช่เรียกใจใจของกลางมันต้องมีเฉยรู้จักว่าเฉยความเฉยนี่ค ล, าคลายย้ายๆกับว่าผู้ฝึกหัดอัปปนาสมาธิแล้วคล้ายๆกับปัณหาสมาธิ แต่อัปปนาสมาธิไปอีกอย่างนั่นยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิอยากจะให้เป็นกลา ง, มาางมไม่ได้กระวังเฉยเยมันก็อยู่ใดจนอัปปนาสมาธิหัดคิดละเอียดๆลงไปจนหายเงียบไม่มีสิ่งอื่นมีแต่จิต อ, อนนันเดียวนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิ <c oughs> นี่แหละหาตัวนี้แหละมันเห็นท่านหาตัวนี้เห็นแล้วค่นี่นอกจากจะทำให้เป็นใจเมื่อไรก็ทำได้คนวายมันคิดตรงสายเราพัดทุกอย่าง น, นั้นเรียกว่าเป็นจิตเราไม่ถามเ้าเราไม่เอาเราจิตกับท่านเรปล่อยวางว่ดเราเข้ามาถึงใจแล้วมันรวมเป็นใจมันก็สบาย ห้หาตรงนี้นละหาตัยใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกมีทุกคนมีแล้วทุกคนทั้งนั้นนีะ่เราเกิดมาตั้งแต่เกิดพุณนะ่ะใจก็ไม่มีมาตั้งแต่เกิดแต่หากไม่เห็นใจมีแต่จิตใชใ้เราไปอนะ่ะเนี่ย รอบดาทุกทิ่ทุกทางให้โกรธให้หลงให้โมมาประมาทเพื่อเพลินรูปหลงสำหรับทุกสิ่งท<ม>ุงอย่างแม้ที่สุดจะร้องไห้ร้องโหงก็มันจะใช้เราเพราะนั้นตัวใจมันใช้เราเ<ม>ข้าถึงจิตแล้วไม่มีเังพะนั้นหายมั <S <S 1> <S 1> <S 1> นั่นจริงว่าเราใช้ใช้เรา จิตใช่เราไม่ใช่เราใช้จิตถ้าเราใช้จิตแล้วใครเข้าถึงใจแล้วครับมันจะคิดจะนึกสงสัยต่างๆทะลุเท่ารู้รวยไม่ได้ไม่ได้มุ่มัวเมาลุบ ล, ลงไม่ยินดียินลายไม่มีความโลภความปรุงความหลงมดทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้เท่าใช้มันเลยครับใช้มันแล้วก็อยู่เข้ามาหัดใจ ให้อยู่ที่ใจเวลาอยู่ให้อยู่ที่ใจเวลาใช้ใช้มันไปใช้แล้วให้เข้ามาอยู่ที่ใจใช้ัไม่อยู่มันจะกลายเป็นจิตมันไม่ถึงใจอันที่เข้าถึงใจเนี่มันมีประโยชน์อย่างนี้แหละใช้มันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันคิดมันนึกว่าสมบัติสวมวัดแต่งงานของหลวงวสาที่เรามีอาชีพในโลกนี้ ใช่ไปเถอะจะใช้มันไม่อยู่ให้รู้จักประมหมายให้ยักขอเขตของจิตเป็นอย่างนี้ของใจนอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้กพอนทำสมาธิภาวนาต่อไป